เล่มหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งและจัดพิมพ์ครั้งแรกจํานวน1 5ึ0 0หเล่มออกจากใจในวันเปิด3แดนโลกธาตุวันที่30พฤษภาคมพศ .2551 ที่วัดป่าบ้านตาดโดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาศิษย์ผู้มีความศรัทธาต่อองค์หลวงตาร่วมสมทบค่าจัดพิมพ์มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เห็นถึงความเมตตาอันไม่มีประมาณของท่านที่มีต่อโลกในการมุ่งมั่นเผยแพร่ธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาอันจะนำให้เกิดแต่ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติปัจจัยจากผู้ร่วมทําบุญกับหนังสือเล่มนี้จํานวนกว่า 600,000 บาทได้กราบถวายหลวงตาแล้วเพื่อท่านจะได้นําไปสงเคราะห์โลกต่อไปขณะนี้หนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งหมดแล้วและยังมีผู้สนใจอีกเป็นจํานวนมากจึงได้จัดพิมพ์ครั้งที่สองนี้จํานวนหนึ่งมื่นเล่มและคาดว่ากว่าจะถึงสิ้นปีนี้ น่าจะจัดพิมพ์ได้ถึง1 0 0 0 0แสนเล่มส่วนหลวงตาวัดป่าบ้านตาเล่ม2รวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่จะออกเผยแพร่ได้ในเดือนมกราคม2552การจัดพิมพ์แต่ละครั้งต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากหากท่านผู้ใดต้องการสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ขอได้โปรดติดต่อคุณหลวงที่โทรศัพท์0 2นย์สองเหรือ086 3 4 6 2 6 3หหรือจัดส่งเข้าบัญชีผู้ดูแลการเงินชื่อบัญชีคุณละดาวันสี่สมบูรณ์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคูคตคลองสองบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี351ห4 2 5 4 2 7ธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อยเซียรังสิตบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี4 1 8 249-8101 ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนลำลูกกาคลองสองบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 071-052-3226 กรุณาฝากสำเนาใบโอนเงินพร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ไปที่หมายเลขโทรสาร 02531-986 หรือส่งมาที่คุณหลวง 26-368 ทั26 หมูห่6ถนนพร ะ, ะโย n รถยนแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพ10220เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นซึ่งณเวลาปัจจุบันขณะที่บันทึกเสียงนี้เป็นเดือนกันยายนพุทธศักราช2552ได้จัดพิมพ์ไปถึง5เล่มแล้วและคาดว่าจะรวบรวมพิมพ์ได้ถึง9เล่ม ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นและหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มสองรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นมานับโอกาสนี้จบเล่มหนึ่งเสียงอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่ง รวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นบทความโดยคุณหลวงและคณะเสียงอ่านโดยโจโฉติดตามดาวนโหลดเสียงอ่านเล่มต่อไปและดาวนโหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่เว็บไซต์รวมเสียงธรรมโจโฉดอท j o h o n e t สามารถเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมเจริญในธรรมครับ